บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องอวิชชาคือความไม่รู้ซึ่งบางระดับเรียกความรู้ไม่จริงแสดงอาการออกมาในลักษณะต่างๆอย่าบ้างกลางบ้างละเอียดบ้าง บางครั้งเราพบอาการของวิชาที่ท่านใช้เรียกบุคคลจะเรียกว่าอันตรพานเป็นอาการของความมืดบอดด้วยวิชาจริงๆอันทะท่านเอเปลวยวมืดภละเปรียวะอ่อนหมายความว่ามีปัญญาน้อยหรือมีปัญญาอ่อนไม่มีกําลังพอต่อการวิเคราะห์วินิจฉัยตัดสินสิ่งต่างๆแยกแยะให้ เหมาะสมกับเหตุแก่ผลในเรื่องเหล่านั้นพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้บางครั้งทรงใช้คําว่ามีชีวิตยอยู่สักว่าแต่ลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องหมายขอ ง, ของความมีชีวิตเท่านั้นเองแต่การประพฤติการกระทํานั้นไม่ดำเนินประโยชน์สุขอะไรให้แก่ตนนําตนเข้าไปเกลื่อนกลัว้วเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นภยัยเป็นโทษ เพิ่มทุกภัยโทษให้แก่ตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นระดับอวิชาที่รองลงมาท่านเรียกว่าผ่านก็คือคนผ่านหมายความเรื่องบางเรื่องก็พอรู้พอจะเข้าใจแต่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้กระทาความชั่วได้และจะงดเว้นความชั่วบางอย่างได้บ้าง แต่ก็ส่วนใหญ่แล้วยังเกลือกลัวอยกับความชั่วเพราะภูมิธรรมสติปัญญามีไม่เข้มแข็งมากพอบังคับให้ใจต้องไหลไปตามกระแสอารมณ์ที่มีลักษณะโยยยุโยยยวนโดยประการต่างๆก็ทำให้ตกอยูนในหลุมบ่อของอบา ย, ยมุขจมลึกลงไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะสลัดตนให้หลุดรอดมาจาก สิ่งเดียนั้นได้ประการต่อไปท่านเรียกว่าปุถุชนแปลว่า <Okay. S 1> คนที่มีกิเลสค่อนข้างหนาหมายความว่า ม, มีเหตุมีผลในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้นแต่เพราภายในจิตนั้นมีกิเลสหนาอยู่ดังนโอกาสที่จะอ่อนไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบจึงเกิดขึ้นได้ง่าย แม้จะไม่กระทำชั่วด้วยตัวเองเป็นพื้นอัตยาสัยแต่มีการกระตุ้นเร่งร้าวมาจากข้างนอกก็จะไหลไปตามกระแสของอารมณ์หลดนั้นถึงลักษณะอารมณ์ที่มากระทบนั้นเพื่สังเกตว่าบางครั้งเป็นเรื่องกระทบเฉยๆคือให้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดลมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นได้ถูกต้องด้วยกาย คนประเภทนี้บางครั้งก็เกิดดนดีดีร้ายบางครั้งเกิดดนร้ายบางครั้งเกิดดีบางครั้งก็เฉยๆยได้แต่ว่าบางครั้งอารมณ์ที่มากระทบนั้นไม่ใช่กระทบธรรมดาแต่เป็นการกระทบในลักษณะกระแทกคือกระทบแล้วกระทบอีกด่าแล้วด่าอีกส่งเสียงดังแล้วส่งเสียงดังอีก ก็กวนแล้วกว็กวนอีกครั้งหนึ่งสองครั้งก็พอไหวหลายครั้งไปมันก็ทนไม่ได้เหมือนกันพราการของวิชาที่มีอยู่ภายในใจจึงไม่มีพลังมากพอที่จะต้านทานอารมณ์ซึ่งมากระทบบ่อยๆอีกดับหนึ่งถ้าเรียกว่ากัลยาณปูถุชน กัลยาณนักก็คือคนดีคนงามแต่ยังเป็นปุถุชนอยู่ถ้าเหล่านี้จะควบคุมตัวเองได้สูงเหตุผลและสติปัญญามากพอสมควรที่เรียกว่าในสถานการณ์ปกติก็คุ้มครองปกป้องตัวเองได้ไม่ถึงก็ตรึกนึกเหนียวนึกอารมณ์ทั้งหลายด้วยความอาคาดพยาบาทด้วยความอยากได้ใครดี ดูความคิดในทางเบียดเบียนมากเกินไปแต่บางครั้งก็ไปเหมือนกันแตส่วนใหญ่แล้วก็จะควบคุมไม่ได้กำมความภาษาทุยชนทั่วไปก็อยู่ในระดับนี้ระสาศาสีลได้ระดับยาบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างบางครั้งมีธรรมะเป็นฐานใจมีความหนักแน่นอยู่ภายในใจ อารมณ์กระทบกระแทกสามารถคุ้มครองรักษาตัวเองได้แต่บางครั้งก็มีความรุนแรงลักษณะที่เรียกว่าเป็นกระทุง้ทงทำนองน้ำหยดลงหินหยดบ่อยหยดเรื่อยๆหิมก็สึกกร่อนไปได้จิตใจของบุคคลที่ถูกโยกครอนด้วยอารมณ์ทั้งหลายก็จะมีลักษณะอย่างนั้น ตั้งตัวนคนดีมา น, นานสืบต่อผ่านการเวลามากๆจะถูกอารมณ์กระแทกกระทันบ่อยๆกระทุ้งบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกว่ถึงจุดหนึ่งเนี mm ่ย hmm. ก็รู้อานาจแก่อารมณ์ที่มากระทบอาจจะเป็นเรื่องของราคะอาจจะเป็นเรื่องของโลภะอาจจะเป็นเรื่องของโทส ะ, อาจจ ะ, อ, อ, ทะอาจจะเป็นเรื่องของโมหะ กรรมกรมมาเชื่อภายในใจมันก็มีอยู่พอสมควรพอรับเชื่อข้านอกไว้บ่อยข้าวก็สูญเสียการส่งตัวที่จะรักษาคุ้มครองจิตใจตัวเองไว้ได้เราเห็นอาการขึ้นลงที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งภายในใจก็แสดงว่าเอาก็จริงก็ไม่มั่นคงเท่าไหร่ พอประคับประคองตัวเองไว้ได้ไม่ถึงก็จมหายลงไปในกระแสของอารมณ์ถึงกรนีเพื่อนสังเกตว่าบางครั้งส่งสอนในรูปของการตกลงไปในกระแสน้ำบางคนตกลงไปแล้วก็จมหายไปเลยแบบอันตรภายบางคนตกลงไปแล้วก็จมลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็จมลงไป เป็นลักษณะปรโปรโปรโปรแต่ก็มีโอกาสโปรโขึ้นมาได้ที่เราเรียกว่าเป็นคน่านถ้าเป็นอาการของโรคก็เหมือนกับาวันดีสี่วันร้ายลักษณะอารมณ์เป็นลมเพลลมพัดดีบ้างไม่ดีบ้างบางคนก็ประคองตัวเองในกระแสะน้ำได้แต่คลื่นไม่แรง ก็แนวของปุตุชนพวกกัลยาณนะ์นวกแนวของปุตุชนทั้งหลายแต่พอโดนคลื่นแรงๆขึ้นมามันก็จมแล้วก็อาจจะประคองตัวขึ้นมาได้อีกก็ได้แนวกัลยาณในะปุตุชนนั้นก็เรียกว่าประคองตัวได้นานพอสมควรแต่คลื่นมากๆน้ําเชี่ยวมากประคองตัวไม่ได้เหมือนกัน เพราะแนวาการปฏิบัติที่พุะเจ้าสงวางไวจึงสร้างเงื่อนไขปัจจัยเข้ามาเสริม <c oughs> ก็ทำนองคล้ายๆกับเราปลูกพืชพืชตอนต้นๆเล็กๆนั้นจะต้องทนุถนอมดูแลใจใสมีอะไรปิดบังเอาไว้คุมเอาไว้ค้ำยันเอาไว้เพื่อรอการยืนหยัดด้วยตัวเองได้ การเติบโตในจุดนี้ก็คล้ายๆกับการเติบโตของชีวิตร่างกายเราเพียงแต่ว่า น, นี้เน้นไปในด้านของจิตใจแต่นั้นเองไม่ใช่ว่าเราช่วยตัวเองได้ในทันทีทันใดแต่ก็ต้องอิงอาศัยปัจจัยภายนอกเข้ามาประกอบเข้ามาส่งเสริมแม้แต่เราพุทธเจ้าของเราเองก็ไม่ได้บำเพ็นเพียรอยู่ในปราสาทราชาวัง เลยถามว่าไมเพราะอารมณ์กับแทกมันแย่แล้วไม่ใช่กระแทกธรรมดาที่จริงมันเป็นอารมณ์กระทุ้งเลยทําไปเพราะทางราชวังเองก็พยายามที่จะผูกมัดรดรึงพระองค์ไว้ด้วยกามคุณทั้งหลายกรมคุณเหล่านั้นก็ปรุงแต่งประดับประดากันมาสวยงามเป็นการสะท้อนภาพเดียวมุมเดียวให้เห็นเพราะจิตใจจะสงบไม่ได้ เราจึงต้องตัดตัดสินพระไท่เพื่อหลีกหนีอารมณ์เหล่านั้นที่ท่านใช้คําว่าอารมณ์ซึ่งเป็นข้าศึกก็าศึกต่ออะไรต่อใจที่จะสงบจากอํานาจของกิเลสแต่ตอนทรงบำเพ็ญทุกรกรรมฐาทรงทรมานร่างกายนั้นมาเน้นที่กายก็ไม่จะเป็นจะต้องห่วงใยอะไรจากข้างนอกเท่าไรคือนั่งบาเพ็ญที่ไหนก็ได้ แต่พอมาเป็นเพียรมาบเ็นเพียทางจิตก็ต้องเปลี่ยนสถานที่แล้วหาปัจจัยเสริมเพื่อช่วยป้องกันอารมณ์เอาไว้ย้ายกระทบบ่อยๆย้ายกระแทกบ่อยๆย้ายกระทุ่งบ่อยๆนั่นคือการหลบอารมณ์สะก่อนทรงเลือกเอารู้เวลาเสนานิคม เหตุผลที่ทรงพิจารณาตัดสินใจเลือกตรงนี้เห็นได้ชัดว่าต้องการหลบอารมณ์โดยทรงให้เหตุผลว่าใกล้แม่น้ำในรัญชราเป็นที่สงบร่มรื่นกลางวันขนไม่พุกพล่านแสดงว่าอะไรแสดงว่ารูปที่จะกระตุ้นอารมณ์รักชังไม่ค่อยมี เสียงที่กระตุ้นอารมณ์รักชังก็ไม่ค่อยมีสัมผัสทั้งหลายกลิ่นทั้งหลายรถทั้งหลายที่กระตุน้นแรงๆก็ไม่ค่อยมีก็แสดงว่าสึก็สึก ข, ข้างนอ ก, กน้อยลงไปกรางคืนไม่มีเสียงรบกวนเป็นที่สงัดเงียบเหมาะสมแก่การมาเป พ, พียนทางจิตนั่นก็แสดงว่าต้อง ลบตัวเองปรีกตัวเองมาก่อนเป็นแนวการปฏิบัติที่ใช้ในทุกกรณีหมายความว่าจะต้องเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ตัวเองให้แก่จิตใจตัวเองพร้อมที่จะปะเะชิญโลกในโอกาสต่อไปแนวปฏิบัติที่เราเรียกว่าสมถะกรรมฐานก็มีการสร้างปัจจัยเสริม จะสถานที่อยู่ที่อาศัยจะต้องเอื้อต่อการโน้มน้อมจิตใจเข้าหาความสงบไม่จะถูกกระแทกโดยอารมณ์การนอกบ่อยๆแต่กระแทกบ่อยๆมันก็เอาไม่อยู่อากาศเองไม่ต้องเสียดแทงมากเกินไปถ้าอากาศเสียดแทงใจมันก็ออกไปรับอากาศไปห่วงใยกับความหนาวความร้อนซึกมากระพบก ก็จะกลายเป็นปฏิฆะจะเห็นได้ชัดว่าเป็นปฏิฆะแต่ถ้าสบายเกินไปก็ไม่ได้มันจะกลายเป็นการมัฉันทะกคือจะพอใจสยบติดเพลิดเพลินเกี่ออยวกับอารมณ์หล่นั้นหรืออาจจะมีส่วนปรักดานให้เกิดอาการง่วงหนักง่วงเหงาหามนอนขึ้นมาซึ่งเป็นอาการของนิบบอททั้งหมดในด้านอาหาร มากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีเพราะแต่ละอย่างนั้นจะเสริมนิวรณนด้วยกันกเขงสอนให้บริโภคอาหารที่เรียกว่าโภชนมตันอยู่ตาคือรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารมากเกินไปก็ไม่ได้น้อยเกินไปก็ไม่ได้บุคคลที่เข้ามาร่วมศึกษาทำปฏิบัติธรรมด้วยกันจะต้อง ทำตัวเป็นกัลยาณมิตรคือเป็นปัจจัยเสริมกันแล้วท่านเน้นหลักการสำขารเรียกว่าส ป, ปายักถาคือเรื่องเวลาคุยกันเวลาคุยกันนั้นจะต้องช่วยกันโน้มน้าวจิตใจของบุคคลให้มีความใส่ใจสนใจ ย, ยินดีในธรรมปฏิบัติไม่ใช่ว่าเป็นการพูดปลุกร้าให้เกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมห oh ะขึ้นภายในจิตใจ ทันชคำว่าสับปายากาถาคือฟังแล้วสบายหูสบายใจอย่างน้อยกิเลสไม่เพิ่มแต่ก็มุ่งไปในแนวกิเลสลดแลวอารมณ์ที่เราปฏิบัตินั้นใจจะต้องพอใจในอารมณ์เหล่านั้นเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องก็อิทธิบาทที่เราจะต้องมีสันทะคือความพอใจในตัวอารมณ์ เราก็ไม่รู้ว่าใครจะพอใจอะไรพระเจ้าก็ทรงแสดงอารมณ์ไว้เป็นจำนวนมากไม้เดือกโดยมีจุดหมายปลายทางอย่างเดียวกันเพราะเรื่องของวิชาในจุดนี้ผพสังเกตว่าตราบใดที่ยังไม่เป็นพระหันที่จริงก็มีอวิชาด้วยกันเพียงแต่ว่าวิชามากหรือน้อยเท่านั้นเองคนที่ดับอวิชาได้จริงๆมีเฉพาะพระาราหัน ประสบดาบันเองก็ดับอวิชชาขนาดยากไม่ใช่ดับอวิชชาตัวตัวแท้จริงๆเพราะอะไรเพราะสัญญา์ที่ทลานได้ที่เคยกล่าวมานานแล้วที่ว่าสักยะทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุเป็นตัวถือตนก็เป็นอาการของอวิชชาคือหลงผิดเข้าใจว่ามีตัวผิดตนเข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนแทนที่จะไปเข้าใจว่าสังขารทั้งหลายนี้เป็นการเกาะกลุ่มกันของดินน้ำลงฝอยอากาศแล้วก็มีปฏิสนธิบินญาณเข้าไปถือครองขัดเหล่านั้น ขณะนั้นก็มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปได้แต่พอวิญญาณออกจากร่างไปมันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟอากาศที่จะต้องแยกย้ายกันกลับไปที่เดิมดินก็ไปสู่ดินน้ำสู่น้ำลมสู่ลมไฟสู่ไฟ อ, อากาศสู่อากาศนั่นก็คือธรรมชาติของชีวิตแต่เพราะความลงผิดเข้าใจผิดมันไปติดว่าเข้าใจว่ามีตวดร่นเทียงแท้ยั่งยืนถาวปรปัญหาต่างๆก็ติดกาติ ด, ต, ดตามมาจากการที่มีตวดร่น ผลจากใดที่รู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนหรือมีตัวปิดตนตอนน่อมนันกิเลสต่างๆก็จะเพิ่มมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนแต่ว่าจริงๆแล้วท่านก็ละได้ขนาดใหญ่ตั้งนั้นเองจะมีอาการของกิเลสที่สืบเนื่องมาจากอาวิชชาต่างๆอีกเป็นนั้นมากที่ท่านยังละไม่ได้หรือการของวิจิิจฉานี่เห็นได้ชัดว่าเป็นอาการของอวิชชา เกีการอกิเลสสายโมหะแต่ศีลปฏิประมาต์คือการถือบั้นโดยศีลโดยวัดโดยการปฏิบัติที่ไม่ยุติด้วยเหตุผลและความดีก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นอาการของโมหะแต่เป็นโมหะขนาดหยาบเพราะอาการองกิเลสทั้งหมดที่จริงต้องมีโมหะอยู่ทั้งนั้นโมหะโมหะก็คืออวิชชาดังนั้นความ รู้ไม่จริงในอริยมรรคทั้งแปดประการที่กล่าวมาโดยําดับส่วนใหญ่จะเป็นรู้ไม่จริงส่วนไม่รู้เลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างหายากคืออันตรพานจริงๆเนี่ยก็มีน้อยหรอกคนมันอยู่ระดับกลางๆอาจารที่ทรงจำแนกแสดงคนไว้สี่ประเภท ทานปชาชนทั้งหลายจะสังเกตว่าสุดยอดคนจริงๆที่เรียกว่าอุกติตันยูสามารถรู้ธรรมะเพียงยกหัวข้อขึ้นแสดงก็รู้แล้วเนี่ยมีไม่กี่คนแต่ในขณะเดียวกันที่เป็นประทับอาระมะมืดบอดเอาจริงๆมันก็มีไม่เท่าไรแล้วคนก็อยู่ตรงกลางคือสองประเภทกลางได้แก่วิปจิตตันยู จะต้องชี้แจงอถาธิบายเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจใช้การเวลาก็ส่งเสริมสนับสนุนพอสมควร mm. ก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นแล้วก็เนยยะต้องเพิ่มเวลาขึ้นเพิ่มการชี้แจงมากยิ่งขึ้นมีมาตรการต่างๆเข้าไปเสริมในการที่ชุบควบคุมพฤติกรรมของบุคคล น, นั่นยาที่พระพุทธเจ้าใช้กับพระบางรูปบางกลุ่ม พรสั่งให้เห็นถึงการกระทําในแลในแวของการจาจี้จาชัยจันรับสั่งแก่พระนนท์ว่าทุกอดอนนนท์เราจักกระนาบแล้วกระนาบอีกใครมีสาระก็จะตั้งอยู่ได้ใครไม่มีสาระก็จะออกไปเพรานวิธีการควบคุมพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ก็หมายความว่าคนกลุ่มนี้ถ้าไม่ฝึกเปลือยอย่างต่อเนื่องมันก็ไปไม่ได้ มันจะมีลักษณะเหมือนอะไรเหมือนการที่เราเอาเหล็กก้อนใหญ่ๆ ห, หินก้อนโตๆมาทำงานที่ประณีตต้องผ่านขั้นตอนต่างๆมาแล้วก็หยาบสุดๆจนมาถึงละเอียดขึ้นไปโดยลำดับจนกว่าเหล็กจนกว่าเหล็กนั้นแล้วก็หินก้อนนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่เราต้องการขึ้นมาได้ เพราะในอาการปฏิบัติก็ขัดเราไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆบางทีจึงมองในแนวของอุปนิสัยปัจจัยไม่ได้มองจุดสุดยอดคือพักผลนิพพานก็รู้ว่าไปไม่ถึงยังไม่พร้อมเราก็ปฏิบัติในแนวสร้างอุปนิสัยปัจจัยขึ้นจุดเน้นขอให้ได้ดีในปัจจุบันก่อน แล้วก็มีปัจจัยมีเงื่อนไขพอที่จะตายแล้วไม่ตกนรกนอกนั้นก็ถือว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยของมรรคนิพพานจุดเด่นไม่จะอยู่ที่ตัวปัจจุบันแต่ที น, นี้คนบางคนกิเลสเขาลดน้อยลงไปกว่านั้นจุดเน้นจะไปอยู่ในชาติหน้าไปจาชาติปัจจุบันไปช่วงสั้นๆของชีวิต ชาติหน้าการบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์จะเป็นช่วงยาวๆล้วต้องการจใจเฉยวสุขอยู่ในพรชาติเหล่านั้นนานๆก็จะมีการเสริมเติมการกระทำความดีต่างๆมากขึ้นก็ที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องของการทำลายวิชาหมดแต่ก็ดีกว่าที่จะตกนรกดีกว่าที่จะเกิดมาเป็นคนก็พัฒนากันไปเรื่อยๆโดยวิถีนี้ นั้นเราจะเห็นว่าพวกอะเรมักทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วโดยลําดับที่กลายเป็นมิจฉามักไปหมดหมายความเป็นเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นมิจฉาสังกปะความดับริผิดเป็นความคิดในแนวป่าวฝุ่นทวนลมแนวถมน้ําลายรถฟ้าสร้างปัญหาแก่ตัวเองเท่านั้น ที่ทรงใช้กำว่าเบียดเบียนตัวเองในด้านความคิดคือเบียดเบียนตัวเองคิดแล้วร้อนคิดแล้วเป็นทุกข์คิดแล้วไม่มีความสงบแล้วเวลาจะแก้ไขปัญหากลับสร้างปัญหามากยิ่งขึ้นเวลากรกลุ้มเดือดร้อนก็ไม่สบายใจรู้ว่ามากรุ้มเรื่องอะไรทำไมจึงกรุ้มแต่ก็สลัดความคิดนั้นไม่ออก เมื่ออกมันก็หงดหงิดรำคาญก็ไปออกกับคนอื่นไประบายโทสะกับบุคคลอื่นไประบายราคะกับบุคคลอื่นไประบายโลภะกับสิ่งอื่นบุคคลอื่นมันก็จมหนักลงไปเลยเห็นว่าเป็นแนวที่เพิ่มบาปเพิ่มมรรคุณมันเกิดมาจากความคิดผิดเพียงนิดเดียวท่านลองดูตัวอย่างง่ายๆลองดูตัวอย่างของพระเทวทัต มันเกิดจากอาวิชชาแล้วก็นำไปสู่โลภะที่ค่อนข้างร้ายเหตุผลเอามากๆแต่เรามองต้น ต, น ต, นตน้นท่าก็เข้าจีบเหมือนกันเมื่อพระราชวงศ์ทั้งหลายพร้อมใจกันออกบวชตอนนั้นก็มีเจ็ดท่านเดีวยวกันท่านก็ออกบวชออกบวชพร้อมกับพระอานนท์ออกบวชพร้อมกับพระอนุรุตซึ่งเป็นพระญาตเป็นลูกพี่เรียงน้องกัน แล้วบวดแล้วท้งแก่ศึกษาประพฤทปฏิบัติดีจนบรรลุฌานได้โลกิยะอภินยาคือมีอิทธิพตขนาดพระสาราิบุตรยกจ่องว่าพระอพระเทวทัตที่เก่งอ ร, ริฏปุตุชนแต่เก่งมากนั้นก็แสดงว่าตรงนั้นที่จริงแล้วอวิชชาลดไปเยอะ แต่พอท่านไปเจอตัวกระตุ้นเป็นอาการของความริษยาความแข่งดีความโลภตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปที่เมืองไผ่าลีมีคนถามข่าวถึงภาษาทีบุตรพระโมคคัลลานะแล้วก็ชุดที่บวพร้อมกับท่านรวมทั้งท่านอุบาลีซึ่งเป็นเพียงภูสาหมาลานี่เป็นที่รู้จักเป็นที่ต้องการคนทั้งหลายมาหาสอบถามพระนนสอบถามถึงพระนุษย์พระอุบาลีพัตติยะพระคุ้งกิมิละอะไรทั้งหลายก็ถามหากันหมด แต่ท่านไม่มีใครถามข่าวถึงเลยมันเกิดความคิดที่จะได้อย่างที่คนอื่นเขาได้พอเกิดไม่ได้ก็เกิดแข่งดีแข่งดีก็ริษยาในคนที่ได้ริษยาในคนที่ได้ก่อนแล้วก็เกิดแข่งดีเพราะฉมากิเลสมันก็ออกมาเป็นโลภะก่อนแล้วเกิดริษยาคืออยากได้การยกย่องการสรรเสริญการสอบถามข่าวกราวจากคนทั้งหลาย แต่เมื่อไม่ได้ก็ริษยาพอไม่ริษยาก็เกิดแข่งดีเวลาแกแข่งแกแข่งตะเิดเปิดเปิงไปใหญ่ต้องการจะแข่งกับพระพุทธเจ้าคุณสังเกตว่าความคิดเดิมที่จริงเป็นเป็นเรื่องท่านไม่ชอบใจพวกเพื่อนรุ่นราวคลาดเดียวกันเท่านั้นเองต้องการแข่งกับพระพุทธเจ้าก็โดยต้องการแย่งตาแหน่งกันเป็นพระพุทธเจ้าเราจึงเห็นว่า ความร่าเหตุผลความเป็นอวิชชาของท่านมันเพิ่มขึ้นได้เพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วท่านก็รู้ว่าการเป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการแต่งตั้งเอาโดยการจะแย่งการปฏิวัติ ร, รัตบราหันเอามันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นแต่เป็นขึ้นมาได้โดยการศึกษาพยายามประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองไปพระพุทธเจ้าเองก็ใช้เวลาตั้งหปีท่านจะมาประเดี๋ยวประดาวจะมาแย่งเอามันจะเป็นไปได้ยางไง เราจะเห็นว่าท่านไปคิดมากจนถึงขยายบาปขึ้นไปเรื่อยๆแทนที่จะทําคนเดียวก็ไปชวนพระเจ้ า, าชาติตรู ด, ด้วยเจ้าชายชาติตรู ด, ด้วยและการปฏิบัติของท่านที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเราจะเห็นอาการของวิชาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าถามว่าตัวนอกนั้นเป็นตัวกระตุ้นไหมมันก็อยู่ที่ใครจะคิดเอา ถ้าเราคิดว่าเป็นตัวกระตุ้นให้เราเริ่มปรับปรุงตัวเองให้เป็นที่พอใจสนใจของบุคคลอื่นมันก็ได้ประโยชน์แต่พอดีท่านไปคิดในทางที่ผิดเราไปมองด้วยความริษยาเช่นก่อนจิตมันก็ฉลบออกนอกทางแล้วก็ไปกันใหญ่เลยตกถดนหายไปเลยเพราะปัญหาตรงนี้จึงอยู่ที่ตัวอวิชชา คือความมืดบอดในด้านการมองปัญหาต่างๆที่มีความสมเหตุสมผลพอเริ่มเบี่ยงออกไปแล้วก็เบี่ยงไปเรื่อยๆสำนองการขับรถฉลับมันฉลับครั้งแรกมันก็ไม่มากแต่ถ้าประคองกลับมาไม่ได้มันก็ปล่อยกันใหญ่จนกลายเป็นอุบัติเหตุมีการสูญเสียมีการล้มตายการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นรูปธรรมที่สะท้อนกลับมาสู่จิต ว่จิตขงบงบุคลบคลที่มีความสับสนเปลี่ยนแปลงนั้นมานก็สืบเนื่องมาจากวิชาทั้งหมดเพราะวิชาเป็นตัวสร้างความมืดบอดคนที่โลภจัดมันก็เพราะไม่รู้บาปบุญคุณโทษอะไรพอโลภจัดก็ต้องทำบาปโกรธจัดก็ต้องทำบาปหลงจัดก็ทำบาปทีนี้ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปตรวจสอบตรงนั้น ก็จะพบว่าสิ่งที่ทําได้มาด้วยความโลกนั้นก็เป็นสมบัติของโลกที่ท่านใช้คําว่าสาธารณะเมา่ความมาทั่วไปแก่คนทั้งหลายแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายจากน้ําจากไฟจากศัตรูจากโจรจากคนที่ไม่เป็นมิตรจากญาติสนิทของตัวเองจากราชภัยเป็นต้นมันมีมากมายหลายกองแล้วก็ดึงภัยอันตรายต่างๆอีกเป็นอันมากมาสู่ตัวเอง แต่เพราะอาศัยอวิชชาปันจปิดบังเหตุผลตรงนี้เอาไว้คนก็ปลดลงไปหลงหลได้ปลื้มอยู่กับเรื่องของข้างนอกแทนที่จะมองพัฒนาการทางจิตว่าเมื่อการทำเช่นนี้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอย่างนี้เราก็ครอบครองอยู่ได้แค่ตายพอตายไปแล้วสมบัติที่เกิดจากความชั่วเราทิ้งไว้ในโลกแต่ความชั่วนั้นเราเอาติดจิตไปก็ดึงจิตให้ต่ง ก็มีตัวอย่างบุคคลในสมัยพุทธกาลเช่นเคยเล่าเรื่องพระเจ้าปาญาสิเป็นกษัตริย์มีฐานะมางค์ลำรวยทรัพย์สมบัติต่างๆเป็นนันมากแต่ก็ไม่ยอมทำที่พึ่งให้แก่ตัวเองในช่วงยาวคือช่วงท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏพระเบตายไปมันก็เกิดในเสริสกะวิมานวิมานที่ไม่มีอะไรเลยเป็นวิมานที่ว่าง เพราะว่าก่อนจะตายท่านเคยให้ทานเอาไว้แต่ให้ทานด้วยความมืดบอดไม่ได้เกิดศรัทธาเปี่ยมล้นอะไรยังคงเสียดายทรัพสมบัติอยู่ก็ให้เศษของหรือกินหรือใช้ต่างๆเจตนาทั้งกระบวนการของทานมันก็ไม่อำนวยผลในทางที่ดีให้แต่ยังไงท่านก็ให้ห้ามก็มีผลในระดับสมคขึ้นก่เหตุที่ท่านให้ลงไป เนื่องจากให้สิ่งที่ไม่ประณีดความสุขที่ท่านได้ก็เลยก็ไม่ประณีเติดตามไปดังนั้นปัญหาเรื่องอวิชชาจึงมีอยู่ทุกขนาดจิตประจาบใดที่เหตุผลสติปัญญายังไม่มีมากพอโอกาสที่จะเห็นผิดคิดผิดซึ่งจะนำไปสู่การพูดผิดการทำผิดและการเลี้ยงชีพผิดมันก็จะบังเกิดขึ้นได้ เพราะทุกอย่างเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องไปจากความคิดพัฐานของจิตจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ว่าเราคิดผิดหรือคิดถูกในเรื่องนี้แล้วก็สืบเนื่องมาจากการเห็นผิดหรือเห็นถูกการเห็นผิดหเห็ถูกมันก็สืบเนื่องมาจากความรู้ความไม่รู้เพราะก็กลายเป็นกระแสของธรรมะสองกระแสเลวกุศลแกุศลหรือว่าความเห็นชอบกับความเห็นผิดซึ่งเป็นหลัก การดำรงชีวิตของบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ที่ทำให้ประสบความเสื่อมความเจริญความสุขความทุกข์ยิ่งหย่อนแตกต่างกันแต่ตอนนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป